ทั้งเนี่ยที่ครบรอบวันเกิดเนี่ยพวกเราอาจจะลืมแม่ลืมพ่อเราก็ได้เพราะถ้าไม่มีพอ่อมีแม่เราก็เกิดไม่ได้บางคนก็ไปฉลองเมาจนเกิดอุบัติเหตุก็มีที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแม่ได้ขอดูลูกที่เพิ่งคลอดนางพยาบาลก็อุ้มมาให้ดูหลังจากเขาค่อยขี้ผ้าที่หอลูกออกแม่เห็นลูกเนี่ย ก็ตกใจร้องแล้วก็โลกไปเลยจนนางพยาบาลต้องอุ้มลูกออกไปเพราะว่าลูกของนางเนี่ยมีหูข้างเดียวเด็กถึงจะมีหูข้างเดียวแต่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องการได้ยินคั้นเติบโตหน้าตาก็ดีถึงเวลาไปโรงเรียนก็มีพอสวัสดิ์หลายอย่างแต่ก็มีปมด้อยเรื่องมีมีหูข้างเดียวเนี่ยก็โดนเพื่อนล้อเป็นตัวประหลาดบ้าง หรือเก็บตัวไม่คุกคีกับเพื่อนบ้างอันนี้ก็สร้างความทุกข์ใจให้กับผู้เป็นแม่ด้วยคันเด็ดโตขึ้นพ่อก็มาบอกกับลูกชายว่าหมอที่สนิทกันเนี่ยบอกว่ามีบอกว่าสามารถปลูกถ่ายหูได้ถ้ามีคนบริจาคคอยรู้อดทนหน่อยหลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวดีคือมีคนบริจาคหูให้ หมอก็สามารถปลูกถ่ายหูให้ลูกชายเนี่สำเร็จเด็กคนนี้ก็เป็นดาวเด่นของโรงเรียนเลยสาขาต่างๆม่่าจะเป็นวิชาต่างหรือกีฬาคือมีความมั่นใจตัวเองมากขึ้นหลังจากจบมหาลายัยก็สามารถทำงานดีๆรับราชการแล้วก็แต่งงานมีครอบครัวที่อบอุ่น ชายหนุ่มก็ไปหาพ่อบอกว่าใครหนาบริจาคใบหุงให้เพราอยากจะตอบแทนบุญคุณเขาบ้างพ่อเขาบอกว่าลูกตอบแทนบุญคุณเขาไม่ได้หมดหรอกอันนี้เป็นความลับไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าใครอคอบริจาคแล้วแล้ววันหนึ่งก็มีข่าวร้ายของครอบครัวคือผู้เนแม่เนี่ยได้เสียชีวิตพ่อก็เลยเรียกลูกมา ที่น่าหีบศพของแม่แล้วก็ค่อยรูปผมให้ลูกดูแล้วเลิกปลายผมลูกถึงรู้ว่าอ๋อที่ที่แท้เนี่ยแม่แม่เองแหละเป็นผู้สละใบหูให้แม่จะไว้ผมยาวตลอดเพื่อแม่ใครสังเกตเห็นแล้วแม่ก็เก็บเป็นความลับไม่ต้องการให้ลูกรู้กลัวลูกจะทุกข์ใจไงแต่เมื่อเธอตายฝ่าล่า ก, ก็เปิดเผยพ่อก็บอก เห็นไหมแม่ก็ยังสวยเสมอถึงแม้จะมีหูข้างเดียวหลักยังมีความสุขลูกชายก็ซาบซึ้งใจอันนี้ทําให้เราเห็นถึงความรักของแม่สามารถสละอวัยวะให้ลูกได้เพราะทุกวันเกิดเนี่ยพี่เราก็ลืมแม่ไปเพราะแม่เนี่ยเป็นผู้เราเกิดมาแต่เราจะลืมพ่อก็ไม่ได้นะถ้าไม่มีพ่อลูกก็เกิดเราไม่ได้ที่สวแนแห่งหนึ่ง ชายชะลากำลังนั่งชมสวนกับลูกชายลูกชายจะแต่งงานมีครอบครัวไปวันนี้มาเยี่ยมจึงพามานั่งชมสวนกันลูกชายมีชื่อว่าแจ็คพ่อก็ชี้ไปที่สวนหลังบ้านน่ะแจ็ดนั่นอะไรลูกแจ็คมองไปอ๋ออัวอัวไงพ่อผ่านไปสองสามนาที พอกรถามเมื่อเดิมอะแจ็สนั่นอะไรลูกวัวครับพ่อวัววัวเขากินหญ้าอยู่ผ่านไปอีกสองสามทีพอกรถามเมื่อเดิมอีกละวแจ๊สนั่นอะไรลูกตอนนี้ลูกชักไม่ค่อยพอใจละวัวงไงพ่อเอ๊ะทำไมพ่อถามอะไรซักหลังจากนั้นผ่านไปอีกสองสามทีพอก็ถามใหม่แจ็ส นั่นอะไรลูกตอนนี้จัดไม่แจ็จโมโหแล้วว่าเอ๊ะพ่อนี่ไปถามเลยเขาสางก็เลยตะคอกพ่อพ่อได้ชักเลอะเลือนใหญ่แล้วผมไม่คุยกับพ่อแล้วแล้วก็เดินหนีไปจินวันนั้นที่วงอาหารจัดไม่เห็นพ่อมารับประทานจึงขึ้นไปตามที่ห้องของพ่อแหละเปิดไปดูห้องเข้าไปเห็นพ่อนั่งเมาอมองใจลอยอยู่ และที่ ข, ข้างพ่อเนี่ยก็มีสมุดสมุดบันทึกเก่าๆอยู่เล่มหนึง่งแจ๊จึงถือวิสาสะเปิดอ่านในบันทึกเนี่ยได้เขียนไว้ว่าเมื่อ30ปีก่อนเราเป็นลูกชายที่กำลังน่ารักเพิ่งหัดพูดชื่อว่าแจ๊แล้วเราก็พาไปชมสวนหลังบ้านที่วันนี้เรานั่งด้วยกันแหละที่เก่าเวลาเดิมแต่ครั้งนั้น จัดเป็นฝ่ายถามเราว่านั้นอะไรพ่อแล้วก็ตอบอวงไอลูกจัดถามเราซ้ำซ า, ากเป็น10บครั้งแต่ทุกครั้งเราก็ยินดีตอบด้วยฝากรกะตือร้นเพราะถือว่าลูกเนี่ยให้คุณค่าเราใส่ใจเราเราก็เต็มใจตอบแต่วันนี้คำถามเดิมแค่เปลี่ยนเราเป็นคนถามเราถาม ลูกแค่4ครั้งลูกก็โกรธตะคอกเราแชทอ่านบันทึกนั้นแล้วรู้สึกสำนึกผิดน้ำตาไหลแล้วเข้าไปกราบขอเขามาพ่อแล้วความสุขก็กลับเข้ามาหาชายชลายครั้งหนึ่งเรื่องนี้ก็จบบันเกิดของเราเราก็อย่าลืมพ่อลืมแม่ของเราด้วยที่ก็ต้องพาท่านไปเที่ยวพาไปเที่ยววัดเที่ยววาฟังธรรม หรือพาไปที่สวนสวยสว ย, ยงามแล้วแต่ใครจะสะดวกแต่ส่วนมากผู้คนสมัยนี้มักจ ะ, ะหลองด้วยการกินเหล้าหรือเลี้ยงอาหารคือเน้นวัตถุบ้างจิตใจลูกบางคนเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนแปลงพ่อแม่ได้นะโดยพาท่านไปวัดไปฟังธรรมไปบ า, บางที่แต่ท่านฟังธรรมปุ๊บท่านเคยมีนิสัยเอาแต่ใจตัวเองขี้โมโหขี้กุนิด ไม่มีเหตุผลเนี่ยพอฟังธรรมแล้วนิสัยเปลี่ยนก็ได้อย่างตัวธรรมาสมัยที่ยังไม่บวชเนี่ยก็เคยพาแม่ไปไปฟังธรรมจากหลวงพ่อไปยอมแล้วก็หลวงพ่อปัญญาอยู่เรื่อยวันไหนวันหยุดก็พาไปถึง ก, ก็เปลี่ยนแปลงแม่ได้ระดับหนึ่งแต่เราไปสอนพ่อแม่ไม่ได้นะแต่บางคนลูกปางคนเนี่ยชอบไปสอนพ่อแม่ให้ทํางู้นทํานี้แล้วก็ไม่ได้เกิดผลแต่ถ้าเราพาท่านไปแล้วก็ทําให้ท่านเห็นว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเราเองก่อนเนี่ย คนอื่นก็เปลี่ยนแปลงด้วยได้ถ้าเราตัวเองยังไม่เปลี่ยนจำธรรมะเอาพูดเนี่ยท่านก็ไม่เชื่อถือหรอกอย่างพระใหม่ๆเนี่ยชอบไปสอนพ่อแม่บางทีแล้วพ่อแม่ไม่เชื่อก็โกรธก็มีทะเลาะกันก็มีอาจมาเห็นมาหลายคนแล้วแต่ถ้า เ, าเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ถ้าเชื่อถือเนี่ยการทําให้ดูอยู่ให้เห็ น, นสําคัญกว่าการพูดบางทีพูดพูดไปแล้วทําไม่ได้อะเราก็จะมีกิเลสเหมือนเดิมฟา่ามโลกก็เหมือนเดิมขี้โมโหเหมือนเดิม แล้วก็หลงเอยมุกอะไรเหมือนเดิมเงี้ยสอนลายใครก็ไม่ได้ที่เราก็ได้สวดมนต์อภินาปจเวกบทได้ไปบทสำคัญชี้เราเห็นความจริงของชีวิตเราเนี่ยมีความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บไข้เป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดามีการพัดพาคจากของรักของชอบใจมีกรรมไปของตัวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว เราทำกรรมใดเราก็ได้สิ่งนั้นคนเนีความแก่ไม่พ้นอย่างอามาเนี่ยเมื่อไม่กี่วันก่อนที่มีโอกาสไปงานบูชาคุณหลวงพ่อเนี่ยก็เโอกาดในนั่งรถไปซื้อของในเมืองเดินไปแถวยาวราชเนี่ยเราจะเห็นคนแก่มากมายเลยเดินกระย่องกระแย่งเดินด้วยความได้ยากลำบากนะอซิมมามา่าหรือแม้คนกแก่ก็บางทีเรียกกงเนี่ย ก็ลำบากเยอะทำให้เราโป้งสังเวชเหมือนกันบางคนก็สุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยถ้าเราไปนั่งรถไฟใต้ดินเนี่ยก็เหมือนได้พบภูมินึงไม่เห็นคนแก่นะเห็นแต่ผู้หญิงสาววัยทางานแต่ละคนก็ก้มหน้าดูมือถือกันเพราะเดี๋ยวนี้เป็นยุคเป็นยุคสังคมก้มหน้าทุกคนมีมือถือกันหมดนะเขาขึ้นรถไฟได้ก็ก้มหน้าอาตาเล่นมือถือบางคนเล่นเกมหรือแชทไลน์หรือทำอะไรที่ตัวเองชอบอะ หรือตามห้างถ้าเราไปเราก็จะเห็นใ้คนหนุ่มสาวคนแก่ก็อยู่ตามแถวท่าประจรันทะร์แตคนแก่เยอะคนแก่ชอบอะไรของโบโ ร, ราณแต่ ถ, ถ้าไปแถวศรีราชก็จะเห็นคนป่วยคนป่วยคนแก่เนะียบางทีเห็นแล้วก็เกิดสังเวชใจมีครอบครัวหนึ่งอยู่ด้วยกันมีอา마แล้วก็ลูกชายลูกสะภ้าย แล้วก็หลานชายหลานชายก็ยุอยังไม่เยอะประมาณสิบวบด้วยฟามที่อา마่เนี่ยแก่มากแล้วเนี่ยอากกินข้าวร่วบวงกับลูกชายลูกสะั้ยเนี่ยมือกยะสันสานมากเลยจนทำให้ข้าวเนี่ยหกเลี่ยราดไปหมดอันนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้ลูกสะภย้ยก็ดุด่าว่าอา่าประจําจนในสุดบท้าบททนก็บอกให้สามีเธอแะ่ะ ให้อาม่าเนี่ยไปกินยยกโต๊ะต่างหากสามีก็ไม่รู้จะทำไงเพราะไม่สามารถแก้ไขไม่แหมม่ามือสั่นได้ก็าจาเป็นจาใจต้องให้อาม่าไปกินโต๊ะต่างหากโดยทุกครั้งเวลาทานอาหารก็ให้เอาชามที่เก่าๆอ่ะชามตากไก่อ่ะเก่าๆพ่ อ, อ า, ม า, าม่ทำชามแตกอยู่ไว้ไประจำ อาม่าตอนนี้ก็ไม่มีความสุขแล้วใจคิดถึงความหลังนึกถึงตอนที่เธอเท้าสา ว, สาวเธอเลี้ยงลูกด้วยความอดทนลูกมีปัญหาเธอก็ช่วยเหลือทุกอย่างคันเธอแก่ตัวลูกกลับไม่ห่วงยายเธอเธอจึงน้อยเนื้อต่ําใจอันนี้เป็นที่สังเกตของหลานชายหลานชายเห็นอาม่ามีความทุกข์ใจก็ข้อปรึกษาบอกว่าอาม่าเดี๋ยวผมจัดการให้ให้มาทําตามนะบอกว่าถึงเวลา ขินข้าวเย็นเนี่ยแฮม่าทำชามตกนะเดี๋ยวผมจัดการให้อาม่าก็ดีใจนะที่ว่ามีหลานมาห่วงแต่ก็จะลองดูได้ผลหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึง่งคันถึงตอนเย็นเวลาอาหารอมาม่าก็ปล่อยชามตกลงพื้นเพ่งข่ากระจายเลยลูกสะพ้ายเห็นก็โกรธมากลุกขึ้นจะว่าแต่หลานชายกับชิงพูดก่อน อาม่ า, ท, าทําแตกได้ไงเนี่ยผมเนี่ยตั้งใจจะเก็บชามเหล่าเนี้ไว้ให้แม่ผมตอนแก่ผู้เป็นแม่เนี่ยว่าจะพูดผู้ไม่ออกเลยสังเวทใจว่าโอ้โหเดี๋ยวตอนเราแก่เนี่ยลูกชายมันจะเอาชามเหล่าเนี้ยมาให้เรากินบ้างก็เลยรู้สึกสำนึกผิดอะ่ะเกิดความละอายใจจึงไปขอโทษอาม่าแล้วก็ให้อม่าเนี่ยมากินโต๊ะเหมือนเดิม ฟาร์มสุกก็กลับมาหาคนใหญ่ครั้งหนึ่งแกส่วนมากมือสั่นน่ามาเห็นหลายคนและ้ะตอนรัฐบาล ท, ที่บ้านท่าไฟหวานเนี่ยจะเห็นยายบางคนเนี่ยสั่นทั้งตัวเลยควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้ละเพราะว่าสังขารของเราไม่เที่ยงไนงะไมไ่อยู่ใต้ บ, บัตรประชาของเราเห็นหลวงพ่ อ, อคนหนึถ้าอยู่วัดหัวทองนหละท่านจะหน้าคล้ายสมเด็จโตมากเลยท่านจะเดินสั่นทั้งตัวเลย ทั้งกาอยเยอะแล้วทําให้เราเห็นสัจชาติธรรมว่าคนแก่เนี่ยมีทุกข์เยอะทุกทุกทั้งช่วยเหลือตัวเองก็ลําบากเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องทำหากินนะชีวิตคนเราเนี่ย ต, ตายกดตายรักมันจะทุกทุกคนแหละทุกขจักายตัวเองร่างกายแล้วก็ทุกข์จัดร่างกายเนี่ยแก้อักษาได้บ้างแก้ไขได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ทุกข์ทางใจแต่แก้ไขได้ทําให้ตัวเองเนี่ยไม่ทุกข์ได้แต่ทางกายยาก เราต้องมีหน้าที่ดูแลกายขอยงเราอะแต่ความแก่เนี่ยมีบางคนกลัวนะบางคนก็กลัวความแก่อย่างนักร้องชื่อดังสุโชัยสมบาเจริญเนี่ยเมื่อไม่กี่วันก่อนอาราบาก็อ่านข่าวเจอแกก็เตรียมผ่าตัดรอบที่สามแล้วตอนนี้สุโชัยอายุหกสปีเมื่อ3ปีก่อนก็ผ่าตัดครั้งใหญ่ตอนอายุ60สิบนะผ่าตัด ทำใหหน้าเนี่ยดูหนุ่มขึ้นประมาณ20ปีเพราะว่าบางทีแกต้องไปเล่นเล่นหนังเล่นละคอรอะไรทํานองเนี้ยก็ย์ใหญ่คุยก็ดู ด, ดีไงจิตใจใหผ่าตัดครั้งใหญ่แล้วเมื่อไม่นานก็ได้ผ่าตัดอีกรอบหนึง่งเพื่อใหย่ยุลดลงอีกตอนนี้ก็หน้าตาก็หนุ่มขึ้นแล้วก็มีข่าวจะผ่าตัดครั้งที่3เพราะตอนคนแก่เนี่ยบางทีก็ลงพุง ดูอ้วนก็อยากทำซิกแพคทำให้มีกล้ามท้องอันนี้ก็เป็นฝาบสุขของเขาแต่ต่อให้ผ่าตัดยังไงมันก็ช่วยอะไรได้ไม่มากหรอกเพราะคนแก่เนี่ยข้างในร่างกายเนี่ยมันเสื่อมโทมหมดแล้วต่อให้แต่งให้ภายนอกดูดีข้างในก็ไม่เหมือนเดิมยิ่งถ้าเราฝืนฟา้าไม่เที่ยงเนี่ย เราก็ต้อทุกข์กมากไม่ยอมรับความจริงของชีวิตไม่ยอมรับหน้าตาของตัวเองบางคนก็ทุกข์นะเพราะตัวเองเกิดมาขี้เหร่หน้าตาไม่สวยอ้วนไปบ้างดําไปบ้างหรือไม่สมบูรณ์แบบพอเราไม่ยอมรับตัวเองปุ๊บเราก็พยายามจะฝืนธรรมชาติอ่ะโดยการพึ่งบีดหมอผ่าตัดนมเล็กก็ทําให้นมใหญ่ด่างยุบก็ทําให้ มีตั้ขึ้นมาผมหงอกก็พยายามทําให้ผมดําถุงตามีพยายามทำให้หายสิ่งเหล่าเนี้ยแต่ก็ใช่ว่าการพึ่งหมอจะทําสําเร็จทุกคนบางคนก็ทําไปแล้วกลายเป็นหน้าเน่าหน้าเละก็มีอัปปะรักกว่าเดินก็มีและส่วนใหญ่จะผิดหวังมากกว่าสมหวังนะไอ้ที่ทํามาแล้วสมหวังขนอะรา่างกายเนี่ย มันก็เสื่อมลงไปเรื่อยไม่มีใครรักษาคงที่ได้ไงสู้เราปล่อยให้แก่ไปตไปไปามธรรมชาติดีกว่าลราหันมาหันมาแบบศึกษาธรรมะหัมาดูแลใจเราให้ไม่ทุกข์กับโรคกระทำอันเนี้ดูดีกว่าเยอะเลยบางคนเนี่ยอย่าผู้หญิงเนี่ยกลัวความอ้วนเมื่อไม่กี่วันก่อนเอามาอ่านข่าวอยู่ข่าวหนึ่งก็รู้สึกสะเทือนใจนะเพราะข่าวนี้ ที่ประเทศจีนมีคู่รักคู่นึงอันนี้คือคบกันได้ประมาณเดือนหนึ่งบ้างฝ่ายหญิงเนี่ยอยากกินไอศคมก็จะไปก็บอกจะกินไอศคมกับไปกแฟนแั่นแหละแฟนก็บอกว่ารู้เป่าเธออ้วนแล้วนะฝ่ายหญิงรู้สึกไม่พอใจคําพูดนี้มากเลยก็เดินไปที่ร้านขายพวกมีดพวกอะไรเนี่ยไปซื้อกันไกมาแล้วก็แทงแฟนจนตายเลยด้วยคําพูดแค่ ตอนที่เธออ้วนแล้วนะซึ่งเป็นเรื่องแบบเล็ก ๆ, ๆน้อยๆนันเองแต่เหมือนไปสะกิดผมด้อยของเธอไงเลยต้องตายก็เรื่องความความแก่ก็สอนธรรมะเราได้โดยอาศัยความแก่นี่แหละเห็นความจริงเพราะคนเราพอแก่เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องป่วยป่วยโรค ก, ก็เข้ามาแทรกซ้อนแต่ก่อนที่จะตายบางคนก็ทุกข์นะไม่เวีนานาหลงตากกมท่านก็ ตายไปยถ้าก่อตายถ้าก็ช่วยตัวเองไม่ได้เลยถ้าอายุเก้าสิบกว่าเนี่ยบางคนว่าคนแก่อายุยืนแล้วดีแต่อากมาดูแล้วก็ถ้าช่วยตัวเองไม่ได้น่ไม่ดีหรอกบางอติดเตียงต้องให้ลูกหลานดูแลเดี๋ยวก็อุจจาระปัสสวะไหลเดินก็ไม่ไหวต้องให้คนจูงไปไหนไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้ต่อให้มีตังค์ก็มีประโยชน์ไม่มีแรง อย่างที่อาจารย์ผูพูดไว้เมื่อไม่กี่วันก่อนนะเพื่อมนุษย์ไม่มีความสมบูรณ์แบบอะตอนเป็นเด็กแข็งแรงมีเวลาแต่เด็กไม่มีตังค์พราะต้องขอตังค์พ่อแม่ไงพอเป็นหนุ่มสาวมีสุขภาพดีมีตังค์เพราะทํางานแต่ไม่มีเวลาไปเที่ยวไหนก็ยากเพราต้องทํางาน แต่พอแกแกเนี่ยบางทีมีตังมีเวลาแต่สุขภาพไม่ดีไปไหนเมื่อไหนก็ลำบากไม่สะดวกนั้นคนเราจึงไม่มีความสมบูรณ์มีความ พ, พ่องอยู่บางคนเกิดมาในครครัวที่รวยแต่ก็ป่วยไปโรคนู้โรคนี้ทำให้ชีวิตเนี่ยไม่สมดุลความรวยไม่ค่อยทำให้เกิดประโยชน์เท่าไหร่ บางคนสุขภาพแข็งแรงเอาดันไปเกิดเป็นลูกคนโจรอีกก็ทำให้ชีวิตต้องขาดต้องดินน้นรนมีความพ้องสิ่งเหลนี้เราเลือกไม่ได้หรอกเราเราทำกรรมเมาไว้กรรมดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ทำกรรมใหม่ให้ดีขึ้นบางคนก็ไปเจอคนรักเจอคู่กรรม พอเจอแล้วชีวิตก็ลําบากเพราะต่างต่างมีกิเลสทาให้ต้องมาเศร้าโศกเสียใจเลิกล้างกันไปแต่ถ้าไปเจอคู่บุญก็จะเบื่อมาเติมสิ่งที่ขาดช่วยกันดูแลยามแก่ยามเฒ่าอันนี้ก็แล้วแต่กรรมใครกรรมมันเพราะบางคนก็โชคดีไปเจอคู่บุญบางคนก็โชคร้ายเจอคู่กรรมพวกความเสน่หาเห็นแล้วก็ปิ๊งเลยอย่างเงี้ยตอนรักกันก็ แต่ละคนก็ปกบ้องนิสัยแท้จริงพออยู่กินกันก็เริ่มออกลายท่านคนเราก็ซ่อนความจริงเอาไว้ไงปิดบังความจริงเอาไว้อันเราบาเรียธรรมะเนี่ยก็เพื่อให้รู้ความจริงทําอะไรก็แบบตรงไปตรงมาไม่หลอกตัวเองไม่หลอกคนอื่นยังวันเกิดอามานีดูแล้วมันก็ขั้นระหว่างหลวงพ่อเขียนเลยนะเพราะว่าหลวงพ่อเขียนเกิดวันที่22อามาเกิดวันที่18หลวงพ่อตายวันที่22วันนี้คิดว่าป่าสุกโตคงคือคักอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพวก ลูกศิษย์ก็คงจะเดินทางกันมามาฟังธรรมแล้วก็มาปฏิบัติบูชาเดีชิกทั้งคืนที่สาระไก่การเดียวชิกก็ดีนะทำให้เราได้ฝึกตัวเองบางคนเดี๋ยอดนอนไม่ไหวบางคนก็ลุกไม่ขึ้นอนะ่ะเราเห็นเราสังเกตเลยผ้าที่ไม่ทำวัดเท้าเนี่ยก็จะไม่ทำตลอดนะเพราะว่าลุกไม่ขึ้นหลายคนที่มาเห็นนละตื่นไม่ไหวอนะ่ะแต่คนที่มาทาวัาเช้าก็จะมาทุกวัน เพราะเขารู้สึกไปเรื่องปกติเรื่องธรรมดาไงแต่บางคนที่ไม่ธรรมดามันลาบากทุกยากมากกว่าจะตื่นได้ดังนั้นกายมาในชิกเนี่ยก็เข้ากับมาฝึกไงมาฝึกให้อินทรีย์แก่กล้าหรืการยกมือโดยินยงกลมแล้วก็ฟังธรรมการฟังธรรมนี่ก็เป็นการสอบอารมณ์นะเพราะาอาจารย์บางคนก็พูดไม่ค่อยเก่งครึ่งชั่วโมงเนะี่ยยาวนานสุดๆเลยนานมากเมื่อไรจบทีแต่อาจารย์บางคนก็พูดเก่ง จะต่างกันแต่เราก็ไม่ไม่ดีใจร้ยยายกับอาจารย์หรอกเราก็ดูใจเราก็แล้วกันแล้วก็ผ่านไปพอตอนเช้าเราก็ชิ้ตังเมชิ้ตังเมสําเร็จแล้วสามารถผ่านอุปสรรคไปได้เพราะถ้าผ่านอุปสรรคไปได้เนี่ยเราก็จะมีความอดทนมากขึ้นเวลาเจอเรื่องอะไรที่ยากๆเราก็สามารถผ่านได้เพราะเราไม่ฝึกเราไม่ผ่านนะการทําให้ดูอยู่ให้เห็นนยากกว่าการพูดอีก การพูด ง, ง่ายปฏิกิริยพูดแต่การกระทำมันยากคืนนี้เราก็จะมีหลวงพ่อไบสาเนี่ยมานั่งยกมือกับเราทั้งคืนแล้วก็มีบรรยากาศของกัลยาณมิตรถ้าใครคิดว่าร่างกายดีปดนอนไหวก็ควรมาร่วมการมาร่วมนี่ก็เป็นการช่วยกันทำความดีของหมูนะ่คณะแต่บางคนก็ไม่ไหวก็ไปนอนก็มี สมัยที่รมาอยู่สวนโมกเมื่อก่อนเนี่ยเวลาวัดสําคัญทางศาสนาเนี่ยที่ที่น่าจะนิสิตชกกันนะเฮ้ยจะไปรดน้ำค่าบูชาวิสาขบูชาอสาระบูชาหรือว่ารออายุที่น่าจะนิสิตชิกกันพระก็ได้ฝึกกันอยู่กันจะสว่างเลยเพาะว่าไปจําภาษาที่เขาสัพัดดีที่อำเภอหันคาจังหวัดชายนานฏเนี่ยชิกทุกวันพระเลยวันพระทีไรอดดอนทุกทีวันแล้ววันเล่า ถ้ามองทีก็ไปข้อดีนะทําให้เราเนี่ยได้ฝึกถึงเวลาอดนอนก็อดนอนได้เพราะว่าการฝึกเนี่ยฝึกจิตตัวเองเนี่ยทำให้เราเนี่ยออกจากทุกข์ได้ไม่ตกอยู่ใต้อํานาจของโลกธรรมมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีเสถียรมีอันทาหรือความแก่ยอารับความแก่ยอมรับความเป็นจริงเพราคนเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอยอมรับได้เราก็ไม่ทุกข์กับเรื่องเหล่านี้ ผิดกคนที่ไม่ยอมรับไงต้องดิน้นรนดิน้นรนมากแล้วก็เราทุกข์หนักแล้วเราทํากรรมดีไว้เดี๋ยวกับดีก็ตอบต่อรองเราเองอาจจะช้าหรือเร็วถ้าเราทำไม่ดีเดี๋ยวสิ่งไม่ดีก็เข้ามาในชีวิตเราการฝึกจิตจึงสาคัญฝึกจิตให้มีสติมีความตึกตัวและสิ่งดีในชีวิตก็จะเข้ามาหาเราเองอันมาพูดมาก็เห็นว่าสมควร ก, กับเวลา